สองสิานิพพานในปัจจุบันที่เป็นมิจฉาชานเป็นไนะแม้แต่ชานทั้งสี่ชานหนึ่งสองสามสี่ปุถุชนคนวิปลาส ท, ที่หลงวิปริตผิดเพี้ยนไปจากสัมมาชานแท้ๆนั่นคือยังหลงยึดถือเอามิจฉาชานนี้เป็นนิพพานในปัจจุบันกันได้ก็มีอยู่จริง คนในปัจจุบันนี้นี่แหละที่วิปลาจริงมีจริงก็ยังหลงสุขอย่างยิ่งประมังสุขขังอยู่กับฌานที่ตนสามารถปฏิบัติได้แต่ยังเป็นฌานที่ยังมิฉาฌานนะเพราะเป็นฌานที่ได้ในการหลับตาปฏิบัตินั้นแหละจึงยังอยู่กับฝันยังไม่ใช่ความจริงแท้จริงกลับไปอ่านตามที่ได้อธิบายมาแล้ว ตั้งแต่ข้อ100ถึง102เป็นต้นในขณะที่ปฏิบัติเป็นฌานนั้นก็จะอยู่กับฝันกล่าวคืออยู่ในะวังอันเป็นพบภายในจิตซึ่งไม่เป็นความจริงของผู้สัมมาทิฏฐินั่นคือยังอยู่ในหมู่ของมิจฉาทิฏฐิ62ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแท้ เพราะเขายังเป็นผู้วิปลาดอยู่ว่าฌานคือภาวะที่ได้จากการหลับตาปิดวาห้าแล้วปฏิบัติจนเกิดฌานสำเร็จในตนฌานแบบนี้คือผู้ทิ้งปัจจุบันธรรมไปแล้วฌานต้องมีทิฏฐรรัมเมหรือทิฏฐเทวชัมเมเท่ากับธรรมะที่บุคคลมองเห็นในโลกขณะนี้อกทะโลก ไม่เช่นนั้นก็มีแค่สัมปรายกธรรมอันได้แค่สัญญาซึ่งยังเป็นอนาคตอยู่เพราะยึดได้แค่มโนมยอัตตาที่กําหนดขึ้นในกิตและปฏิบัติสำเร็จเป็นฌานในผวังเท่านั้นยังไม่ครบพร้อมโอราลิกธรรมอันเป็นภาวะครบความเป็นโลกนี้อิทาโลก บริบูรณ์ทั้งความเป็นภายนอกทั้งหลายจึงยังอยู่แค่สัมปรายิกภพที่เป็นฝันของสัญญากำหนดได้เท่านั้นจึงชื่อว่ายึดเอาภาวะอนาคตเท่านั้นซึ่งเป็นภาวะที่เกิดได้แค่สัญญาอย่างไม่มีความจริงที่ครบพร้อมทั้งปัญญาที่รู้ยิ่งบริบูรณ์ด้วยสัมผัสวิโมกขแปดด้วยกาย จึงเป็นผู้ยึดมิจฉาชานแต่ละชานที่ทาได้นั้นๆแต่ละชานสี่ชานนั้นเป็นนิพพานแล้วแต่ละคนที่ได้มิจฉาชานเท่าที่ตนบรรลุแต่ละชานซึ่งตนเข้าถึงว่าอัตตานี้สงัดจากกรรมสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปสมชานก็ดี อัตานี้บรรลุผลธรรมเป็นความเป็นธรรมเอกยิ่งขึ้นไปอีกตามลำดับของฌานสองสสที่ตนบรรลุแต่มิฉานั้นแล้วปุถุชนคนผู้นั้นก็ยังวิปลาสว่าเป็นสัมมาฌานจึงยังหลงวิปริตผิดเพี้ยนว่าอัตานี้เป็นอันบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมะอย่างยิ่ง ปรมาทิฐตธรรมนิพานปโตในแต่ละคนที่ยึดได้แต่ละฌานอยู่จริงตรวจ ด, ดูได้จากพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ50วงเล็บ 58.2 ถึง5ยืนยันไว้ชัดเจนยิ่ง